ท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อพู่ควายมั้ยครับพู่ควาย เรียกได้ว่าเป็นสถาน เอ่อเมื่อปี 2480 เนี่ยท่านได้ปลีกตัวจากหมู่ ในด้านที่หลวงปู่บุญขึ้นไปนั้นเป็นป่าดงหนาแน่นๆแล้วก็ยืน เมื่อหลวงปู่พบสถานที่อันเหมาะสมๆของพวกลาวพวนที่ ไม่ว่าๆเช่นพูดผีปีศาจซึ่งเป็นวิญญาณมิจฉาทิฏฐิอัน 8 ค่ำ 15 ค่ำหลวง เพียงแต่รุกล้ำเข้ามาในกรดไม่ได้นอกจากจะส่งเสียงร้องหน้าขนลุกขนชันอยู่ด้านนอกรอบๆกรดแล้วก็ไม่ปรากฏตัวออกมาให้เห็น โดยมีความกลัวเป็นครูบังคับวันคืนในป่าใหญ่ ท่านได้พบหมอยาสมุนไพรชาวไทย 3 เมื่อมาอยู่บนภูเขาควายนี่ ทิ้งให้หลวงปู่บุญอยู่บนภูเขาสูงเพียงลําพังรูปเดียวเหมือนเดิมหลวงปู่บุญอยู่บนภู เห็นชายป่าสงบสงัดเป็นที่น่าพอใจ พวกควายที่ในหมู่บ้านก็ถูกมันลากเอาไปบ่อยๆถ้าท่านอยู่ที่นี่ๆขอนิมนต์ท่านไปอยู่ใกล้ๆหมู่ ก็ยอมให้มันกินเป็นไปตามกรรมเถอะโยมอย่าได้บิดตกทุกข์ คิดแต่เพียงว่าถ้าท่านมีกรรมต้องชดใช้แก่ๆหลังจากทําวัสวดมนต์ จิดแนบนั่นอยู่ในการพาวนาตลอดเวลากระทั่งคืนนั้นผ่านไปโดยไม่มีรูปเงาของเสือมาปรากฏให้เห็นครั้นรุงขึ้นเช้าได้อุนโหลงปูบุญก็ออกบินทระบาทที่หมู่บ้านยา задач ซึ่งอยู่ไม่ไกรหนดลงปูบุญปากลดเจริญพาวนาที่ใช้ป่ารว่าง 2ออ6 วันโดยไม่มีเสือรายย่างกลายมาพระก糞ตัวให จนกระทั่งถึงวันที่ 7 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ หลวงปู่หยุดกิริยาเดินจงกรมชั่วขณะนึก ที่ท่านผ่านประสบการณ์ทุรดงมาก่อนอย่างโชคชนประกอบกับป่าทั้งป่าก็ เสือโคร่งตัวใหญ่ก็ปรากฏๆ แม่หลวงปู่บุญญาเตรียมตัวเตรียมๆความองอาจกล้าหาญ คล้ายกับจะเพ่นผลจึงไม่สามารถควบคุมสติให้มั่นคงแนวแน่ได้มาตะปบ แล้วเหตุการณ์ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆหลวงปู่บุญคิดว่าจะ จะได้ชดใช้เวรกรรมให้หมดสิ้นกันในเพียงชาตินี้แต่ถ้าข้าพเจ้ากับเสือไม่เคยเป็นศัตรูต่อกันไม่เคยมีหนี้เวรหนี้กรรมผูกพันระหว่างกันก็ขอให้เสือจงไปจากที่นี่ในบัดดลเถิดอธิษฐานแล้วหลวงปู่ ทำให้เสือใหญ่ตกใจแทนที่ อัตชีวัดประวัททั้งหลวงปูบุญในช่วงที่ท่านออกทุดองเป็นวัสด์มีเรื่องเกี่ยวกับเสืออย่างหน้าว่าเสียวหลายครั้งหลายหนเช่นครั้งที่ท่านจำบันสาอยู่ที่วัดบุรภารามบ้านโ th cham r ครorieวนึงได้รับนี่มวนให้ไปที่บ้านเปลือย หลังจากธรมกฤ сетentre久jäậpร้อยก็เดินทางกลับวัดบุรภาราม พร้องกั Must 1993 ดงพระเจ้าแห่งนี้เป็นป่าทึบและขึ้นชื่อว่ามีๆท่านก็สังเกตเห็น ครั้นท่านเดินต่อไปเสือก็ย่างก้าวตามหลังมาอีกหลวงปู่เม 20 เมตรเวลาเดินถึงทางๆแค่ 5-6 วาซึ่ง แต่ว่าเสือตัวที่ว่ากลับไม่แสดงกิรัยการดูรายกระหายเลือดแต่อย่าง wła жд มออกมาเท่านั้นส่วนโยมพรมนั้นพอรู้ว่ามีเสือเดินตามหลัง fem มีเสือเดินตามหลังมาก็เดินแน่นำหน้าในเหล���酒 ปล่อยลงปู่บุญเจินข้างหลังประเชินกระเสือเพียงลำห particulars ลงปู่เล่าว่าเวลาเสือเดิน 헤่อเห forgot ตามหลังมาติดจิด เดินไปก็แผ่เมตตาไปพร้อมกับอธิษฐาน เขตดงพระเจ้าข้ามดงพระเจ้าสู่พื้นที่ไร่นาของชาวบ้านเสือ ในห้วงเวลาที่ท่านมุ่งมั่นกระทำความชุมชนเพื่อบำเพ็ญภาวนาเพียงรูปเดียว นายแสงนางแดงสามีภริยาไปนานาอีกทั้งตัวเองก็เกิด 2 สามีภริยาก็ มีหนองน้ำค่อนข้างใหญ่มีน้ำเต็มเปี่ยมแล้วก็ลึกมาก 3 วันกระทั่ง 4 หลวงปู่บุญได้เข้า ศิลปะภาพในนิมิตก็ปรากฏเพียงเท่านี้ก็หายไปชามืดวันนั้นฟ้ายังไม่สว่างหลวงปู่บุญก็เตรียมตัวออกบิณฑบาตท่านออกจากกรดไปที่ชายหนองเพื่อล้างหน้าเช่นทุกเช้าที่ผ่านมาสุดตัวลงนั่งแล้วก็เอื้อมมือไปวักน้ำแต่กลับวักได้แต่อากาศไม่มีน้ำติดมือขึ้นมาแม้แต่หยดเดียวหลวงปู่บุญกระเทิบอาจารย์ชิตขอบหนองแล้วก้มตัวลงไปวักน้ำจนสุดเอื้อมหลายครั้งแต่ก็วักไม่ถูกน้ำทำให้ท่านแปลกใจเป็นอย่างยิ่ง แต่ว่าเวลาตอนนั้นมันยังมืดสนิดมองไม่เห็นอะไรก็เลยไม่รู้ไม่ ไม่ว่าๆซึ่งควรจะมีๆที่ในเวลา 3 วันที่ผ่านมานั้นหลวง ก่อนจากกันวันนี้ขออ้างเอาพุทธภาษิตที่พุทธพจน์ตรัสอ้างไว้อย่างนี้สวัสดีครับ ถวายสถานีวิทยุท้องถิ่นวัดวาอารามสถานีวิทยุท้องถิ่นโรง 084 643 8770 ครับ